ปฏิบัตแบบใดที่จะทาให้ให้มีความรู้จิตสองคนจะพ่อภายในความทั้งพูดคุยกับคนอื่นอันนี้การปฏิบัติแบบใดอย่างไรคำถามนี้ตรงกับคำาที่ว่าทำอย่างไรจิตจึงจะสงบเป็นสมาธิได้เร็และจึงจะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงได้เร็ว ต้องการอยากจะให้เป็นได้แล้วต้องทำมากมากอย่างเื่ว่าวันหนึ่งทำให้ได้สามครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงรับรองว่าเป็นได้เลยคำตอบก็มีแค่นั้นจิตตกใจตัวจะตกใจง่ายเพงจะเริ่มปฏิบัติมักคิดอมักคิดว่า เป็นสิ่งไม่ใช่ธรรมดาเป็นสิ่งลึกลับอันนี้กาปรปฏิบัติบางอย่างถ้าว่าเราไปศึกษาการแบบชนิดที่เรียกว่าไปขอพลังหรือไปเชิญอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาช่วยจิตให้มันเป็นไปได้เร็วเลยทําลองนั่นอันนี้มันมาเกิดความรู้สึกกังนวลว่ามีสิ่งบาสิ่งหนึ่งเข้ามาสิงมาสู่ายในจิตในใจ้วก็ทาให้จิตใจเนี่ย อ่าเกิดเป็นความหวาดกลัวอันนี้เคยเจอที่บ่อยๆเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจที่จะทำสมาธิให้เกิดประโยชน์กันจริงๆนี่อาจจะพยายามเลือกเป็นหาผูบาอาจารย์ที่สอนในทางที่ถูกต้องบ้างก็จะดีเช่อย่างบางครั้งเขาไปหลงเชื่อให้เขาไปลงกระหม่อมแล้วเขาไปยกโคยกอะไรขึ้นมาาวนาแล้วก็เสื่อสถิติังมีการเขา้าเจ้าทรงผีไปเลยสมอง น, นั้นมันไม่ถูกทาง อันตรายของนักปฏิบัตินี่มีมากนะทุกคนไอ้ผู้ที่ทำไปนั้นไม่กลมาท่านมุ่งผลกระโยน์อันใด น, นี่ก็ไม่ขอวิจารณ์แต่ว่าการที่ไปเรียนสมาธิแบบมืันเหมือนกับเรียนไสยศาสตร์นํานอาการไม่ถูกต้องอาจารย์ของหลวงพ่อในต้องสอนคนแต่ท่านสอนแต่ฆราวาสและฆราวาสที่จะสอนแต่ยมผู้ชายยมผู้หญิงไม่สอนเรีวยกว่าสอนทำพระไบ ใครภาวนาจนแล้วมีสมรรถภา พ, พในการขับไล่ผีความที่ถือีถือแสงให้เอาไปทําน้ำมนต์ขับไล่เลยหรือถผีถือแสงเล็แต่ว่าเมื่อภาวนาแล้วปีติขึ้นแรงพอภาวนาตอนแรกๆมันเริ่มกู ожалуй, ้โตกูโตกูโตกู้โตในใจพอกู้ปีติขึ้นมาแล้วจะมีเสียงกู้องกโ้ทงกู้ทงก้องออกมาพอทงออกมาแล้วยังเหลือแต่โทโทโถโถขับเสี่ยวพอเงี้ยโถลงไปแล้วแค่นี้ ไม่สวดสาธิโมก็ต้องสวดมนต์ไม่สวดมนต์ก็ต้องแสดงธรรมตอนนี้ไม่แปลกว่าผู้ภาวนาแล้วเกิดเสียสติสตังเอาไปใช้ประโยชน์ในทางทางช่วยคนเอตุได้เหตุผีรบกวนอะไรบ้างอ่้ปัญหา ข, ข้อต่อไปยังเลี้ยงับบดเดียวถ้าแล้วโลกสวรรค์มือก่อนพระพุทธเจ้าแล้ ว, ว, ลวคนสมัยก่อนไม่ถกแล้วรบหมดติ พยังไม่รู้ทำคำสอนรู้แต่การดารงจิตวิสูตรเท่านั้การทำดีในระดับขั้นสีรธรรมศาลาคือคำสอนนั้นแบ่งออกเป็นสองภาคภาคเริงภาคสีระธรรมภาคหนึ่งภาคที่ทำคนให้ไปสูม่มรรคผลนิพพานภาคสีรธรรมนี่การให้ทาน ก็เปทางให้ถึงสวรรค์การปฏิบัติดีเช่นบำรุงเลี้ยงดูตามารดาถ้าเขาอยากเป็นพะอินก็ให้เลี้ยงดูดูตามารดาเขารัต่อผู้ใหญ่ในตระกูลทำดีกับคุณพ่อคุณแม่ตายไปแล้วจะได้เกิดเป็นพระอินทร์ผู้ใดอยากเป็นเทวดาก็ให้มีฮีโอตับบัตละอายต่อบาปเชื่อต้องกลัวต่อบาปที่นี่ผู้ที่ทำดีที่ไปเกิดสวรรค์เนี่ย เช่นอย่างพลังเขามาตั้งโรงพยาบาลให้เมืองไทยเราเขาก็ทำบุญสาธารณประโยชน์อันนี้เขาก็ทำบุญได้คนในรัชทูตคนะอื่นก็ทำดีที่จะให้ไปเกิดสวรรค์ได้เันก็ทำชั่วในขั้นที่จะตกตะลบได้ธรรมะที่ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยถ้าเป็นการภาวนา ก็อยู่ในขั้นที่จิตเดินืมทีิปัสนาสามารถที่จะพิจารณาสภาวธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะของปัจจัยรักเคยเห็นอริจังทุกครั้งอนัตตาจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเบนจคันอันนี้คือภูมิทัณนของศาสศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ระดับของสมาธิตั้งแต่ชานขั้นที่สี่ถอยลงมาถึงขั้นที่หนึ่ง เป็นระดับสมาทิศาการณ์เพื่อไปทุกละทิศาศสนาถาหากว่าเจตสองคุปภาวนานี่ติดจุดเพียงแค่ชานสี่ขั้นนี่ไม่ไปไหนติดยึดอยู่ที่ตรงนี้ก็กลายเป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์ไปแต่ถ้าบำเพ็ญทานให้สะดวกสบายกาแก่แก้วดีแล้วเอาเจตที่ได้ทานนั้นนะ่ะสวยโอกาสเวลาพอที่จะพิจารณาอะไรได้ แล้วไปสู่ตารพิจารณาสภาวธรรมให้รู้แน่สมจริงตามความเป็นจริงจนสามารถเห็นทุกสมุทัยนิโนัธเห็นอ น, นิจั์ออคู่ขังอนัตตาจิตอยวางแลแ้วก็ต้นจากกิเลสได้อันนั้นอยู่ในขั้นศาสนาพุทธโดยสฉา ะ, ะการแผ่เมตตาให้กับผู้ชี่ร้ายต่อเรา้ากจะให้ได้ผลเร็วควรทาอย่างไร กินเวลานานเท่าไหร่จึงจะได้ผลถ้าไม่ได้ผลแสดงว่ากิเลสขตองผู้รับหนาลัดไม่ได้การแพ่ เ, เมตตาจะให้้ผลเร็วหรือไม่ได้ผลเร็วนั้นมันต้องอาศัยทั้งสองฝ่ายถ้าสมมติว่าผู้เผอเมตตา ก็มีพลังจิตพอ ท, ที่จะส่งกระแให้เขาได้รับผลผู้รับก็มีพลังทางจิตพอ ท, ที่จะเด็ต่อสู่การรับรู้กันได้อันนี้สำหรับเกื่อทนี้การแผ่เมตตาไปโดยผู้ฝ่ายตรงกันข้ามไม่รู้ไม่รู้ว่ามีใครแผเมตตาให้แต่อิทธิพลของความปรารถนาดีต่อกันซึ่งเราตั้งไว้ในจิตใจของเราเนี่ ก็สามารถปันดาลให้เกิดผลกับผู้รับได้เหมือนกันทั้งๆ ท, ที่ผู้รับไม่รู้เพราะมันเป็นพลังจิตอันหนึ่งและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งการแถรเมตตาี่ที่ได้ผลอย่างแน่นอนที่สุดก็คือว่าตัวของผู้แพรนั่นแหละทำให้เจ็ดตมีเมตตามีกรุดามีสิ ม, มุทิสามีอุเบคาเป็นอุบายทำจัดความอิจฉ า, า, าริชิตยารู้ทำจัดความอิจ กิเลสที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่โหดเท่มในผิตใจใจให้หมดไปการหลับตาเพ่งระย่ะหนึ่งจิตสวมดวงไปสีแดงแล้วปดทักจึงเพ่งดูต่อไปแตแล้วลานลานเข้าดวงไปสีแดงนี้ก็ค่อยหายไปเมื่อหายไปแล้วเพ่งอีกก็ไม่เห็นดวงไฟสีแดงนี้ อ, น อ, อ, นนอีกเลยอยากทราบว่านี่เห็นดวงไฟสีแดงนี้คืออะไร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 ดวงอันนั้นอยู่เช่นอย่างดวงไฟเป็นต้นคืนต้องใชยหลังในเมื่อเราเพ่งดูอีกมันก็หายไปอันนี้การเพ่งเห็นดวงไปบางที่ว่านี้ใครจะว่าเป็นดวงนิดนิดมันก็ยังไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรามองดูอันเลานนานๆสักหน่อยหนึ่งเพ่นดูดวงไฟ ท, ที่สว่างอยู่นี่ พอรู้ักนาทีได้ครึ่ง น, นาทีสำหรับพักจงใจแบบนี้มันจะมองเห็นเป็นดวงสว่างเป็นจุดอยอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดา <c oughs> แต่จะว่าเป็นสมาธิก็เป็นเรื่องสมาธิขัน้นสากสมาธิทีนี้การสว่างตามความหมายขององค์ประกอบของสมาธินั้น <c oughs> ในชั้นแรกๆฉันก็อาจจะสว่างขึ้นมาเป็นดวงเหมือนดวงไฟเหมือนกันสาหรับ ดวงสว่างซ้่งมันผ่างสม า, รมาวรภาพแต่แฝดช่วขณะหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของธรรมดาของการภาวนาจะต้องเป็นฉะนั้นนะทีนี้ในเมื่อจิตมันสงบนิ่งลงไปเป็นสมาธิร่อนตั้งแต่ปุปจ า, าละสมาธิหรือได้เฉสมาธิมันเดินตามองค์ของชานิตกวิจารปีติสุกเอตพัฒนานั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วที่สาคัญที่สุดซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าจิตสงบคือแสงสว่างตามสว่างภายในจิตอันนี้เป็นส่วนประกอบ คามสว่างอันนี้เกิดจากดวงที่เรามองเห็นทีนี้ถ้าหากว่าจิตเริ่มสงบในตอนอแรกๆนี่ความสงบลงไปพอรู้ๆถึกสงบตอนนั้ น, นแหละแล้วกระแสจิตของเราสง่งกระแสออกไปไกลๆโน้นเราอาจจะมองเห็นแสงเป็สุดในตอนนั้นจิตของเราสงบและมันพุ่นไปข้างหน้าและไปเฉิดสว่างอยู่ข้างหน้านี่เป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งบอกใครรู้ว่าจิตของเราเริ่มสงบเหมือนกัน คืนี้น้ะว่าจิ้ค่อยสงบสงบสงบละเอียดซึ้งเข้าไปเข้าไปแล้วแสงสว่างที่เรามองเห็นอยู่ไกลไกลนั้นมันจะต้องหดเข้ามาหดเข้ามาจนกระทั่งมาถึงตัวเราในเมื่อมาถึงตัวเราแล้วคือสงบละเอียดควบลงไปเกิดสว่างต่องขึ้นมาจิดเริ่มมีสมาธิถ้าหาสมาธิอันนี้เรายังรู้สึกว่ามีตัวปารากดอยู่เป็นสุสมาธิขั้นอุปจาระ ใช่ค่ะเาปรากฏว่ตัวหายไปแล้วยังเหลือใจจิตสงบนึ่งสว่างอยู่อนั้นเป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิขั้นอัปปนาเนี่อัปปนาขั้นต้นนี้มันเป็นใจเียนปฐมมจิตปฐมวิญญาณปฐมสมาธิเป็นปุกทายนนิสตินในผู้ปฏิบัติจะต้องฝึกหัดเข้าออกสมาธิให้ชำนิชำนาญตามองค์ฌานนั้นๆเพื่นะนำสมาธินั้นไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวิพัสนาในขั้นต่อไป ได้อย่างชันนิชํานานอันนี้ขอให้ท่านเพ่งสังเกตเรื่อยๆไปทีนี้ปัญหาข้อนี้อปัญหาข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนอริธรรมการเรียนหรือการสอนอริธรรม ่นักปฏิบัติด้วยนักภาวนาเนี่ยจำเป็นต้องเรียนในพิธามหรือไม่อันนี้ในฐานะที่เราย็ดหลักว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวษฐ์เป็นเป็นพระธรรมคําำคำสอนของพระพุธทธเจ้าคำคําสอนของพระพุทธเจ้ามีปริยัตปฏิบัติปฏิเวษทั้งสามปริยัติคือการเรียนรู้ปฏิบัติคือเอาความรู้ที่เรียนแล้วมาปฏิบัติ ปติเวทคือผลซึ่งเกิดจากความรู้นั้นอจากการปฏิบัตินั้นเพราะฉะนั้นปริญญาต้นนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องเรียนไม่เรียนมากก็ต้องเรียนน้อยไม่เรียนน้อยก็ต้องเรียนมากเพราเป็นในทางจะไม่เรียนเลยนั้นไม่สมควรถึงแม้ว่าเราจะไม่เด็ดท่องบนแบบเรียนนานจำศัพท์มากมายก็ตามเราก็ต้องเรียนจากท่าภีร์รู้อาศัยคาแนะนําจากครูบาอาจารย์ก็เป็นการเรียนเหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอภิธรรมนี่ถ้าใครสามารถเตรียนท่างจําได้แล้วมาปฏิบัติเมื่อจิตมีสมาธิมีสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันจะได้สนับสนุนคุณธรรมโดยเป็นเครื่องพิจารณาตัดสินความรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิตของเราได้เป็นอย่างดีขอเฉลยว่าจําเป็นต้องเรียนถเรียนไม่มากเรียนไม่ได้มากก็เรียนแต่น้อยแต่พอเข้าใจปฏิบัติการที่จะไม่เรียนเลยนั่นไม่ถูกต้อง เ <c oughs> นี่ยมีปัญหาข้อนี้อ่ปัญหาก้อ น, น, นี้สําคัญมากผู้ที่จะปฏิบัตินี่ยจำเป็นจะต้องเดินทางไปศึกษาปฏิบัติในสำนักครูบาอาจารย์ในต่างจังหวัดหรือไม่อันนี้นปัญหาก้อนี้อาจารยก็อยากจะทํำความเข้าใจของอบัณฑิตบัณฑิตท่านผู้ฟังทั้งหลายการปฏิบัติธรรมนี่ เราจะไปปฏิบัติสู่ที่ไหนอย่างไรเอาเราเอาไปจับใจนั่นไปปฏิบัติทีนี้ถ้าหากต่างว่าพวกทุกท่านอาจจะตั้งกณิฐานว่าฉันจพยายามสร้างห้องพระในบ้านของท่านเนี่ยให้เป็นวัด น, น, น, น้อยๆขึ้นมาเราจะทํำสมาธิภาวนาอยู่ในห้องพระของท่านนี้โดยไม่จําเป็นจะต้องไป ในสำนักครูบาอาจารย์ที่ห่างไกลลาบากเช่นต่างจังหวัดเป็นต้นเดินไปเสียเ็นบางครั้งบางโอกาสที่เราอยากจะไปเพื่อเพื่อดูและเพื่อศึกษาขนกธรรมเนียมหรือประเพณีในสำนักนั้นๆหรือเพื่อฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์นั้นๆเป็นครั้งคราวปัญหาข้อนี้ขอตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า ถ้าท่านเข้าใจในหลักการปฏิบัติพอสมควรแล้วไม่จำเป็นต้องไปและไม่จำเป็นจะต้องถือว่าเราต้องไปนั่งภาวนาอยู่ในวัดอย่างเดียวเท่านั้นที่เราลาบอะตอมาเคยบอกเคยเทศใพวกญาติโยมสั่งว่าการทำสมาธินี่ไม่จำเป็นจะต้องมาทำกันที่วัด บองท่านมาก็มาบอกว่า <c oughs> ขอให้หล่นเต้าพาทำสมาธิพานั่งสมาธิไอ้ทมาก็บอกว่ไม่จําเป็นในเมื่อท่านให้ทาแนะนําคุณไปแล้วคุณไปทำที่บ้านในเมื่อคุทําให้คุณดูที่บ้านคุณไหว้พระโสดบนแผ่เมตตานั่งสมาธิภาวนาคุณก็มีพระปฏิบัติจิตวัติตัวในบ้านคุณทุกวันถ้าคุณภาวนาทำํำจิตให้สงบกป็นสมาธิขึ้นมาได้เพียงครั้งเดียว จะมีค้นค่ายิ่งกว่าที่นิมนต์พระท่านต่ัสเตินองค์ไปสวดหมดมในคห้ให้กำลังใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีโอกาสพอที่จะไปได้หมายถึงว่าไม่ว่างพอที่จะไปได้ก็อย่าถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นจะต้องไปภาวนาอยู่กับสำนักตูบาอาจารย์ในต่างจังหวัด เันอย่างโรงพยาบาลบริเรนโรงพยาบาลนี่อาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมสงบหรือพ้าในรั้วบ้านของเราเนี่ยอาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมสงบถ้ามันหาความสงบไม่ได้ถ้าเราลาคาญต่อความสงบเราอาจจะตั้งพณนิทานว่าฉันจะนั่งสมาธิแข่งกับเสียงถ้าเสียงมันไม่หยดุดใส่ฉันจะไม่เลิกาหนั่งสมาธิ เสียงมันสงบไปแล้วเตมขึ้นมานี่มันยังได้ยินเสียงรถมันวิ่งอยู่ตั้งต่อไปอีกจนกว่าเสียงรถมันจะสงบเงียบไปแล้วจะเป็นอบายที่ศึกสอนศึกต้องเราให้รู้จักกับการต่อสู้เพราะฉะนั้นลงนี้ขอทําความเข้าใจว่าไม่จําเป็นให้พยายามหาโอกาสทําที่บ้านให้มากที่สุดโดยสร้างวัดถ้าสร้างบ้านต้องเราอันนั้นนะถห้มันเกิดเป็นวัด <c oughs> อันนี้เห็นจะเป็นปัญหาข้อสุดท้ายปัญหาฉบับนี้ถามมาก่อนแต่เอาไว้ตอบเป็นข้อสุดท้ายข้อหนึ่งการปฏิบัติทุกอิริยาบทจะเดินเดินนั่งนอนผลปรากฏว่าลมหายใจไม่ปรากฏเลยผลปรากฏภายในทั้งรู้ทั้งเห็นสว่างแจ่มใสเบิกบานมาก เป็นภายในเป็นสายขาวบริสุทธิ์เข่าเส้นรายหลอดรากดชัดแ จ, จ้งเจตสิกไม่สูงจิตได้เลยแม้แต่ขณะหนึ่งรากดการเชนนี้เป็นอยู่ได้นานถึงเจ็ดวันโดยธรรมชาติของการปฏิบัตินี้เราจะกำหนดตัวลงไปได้ว่าหนึ่งจิตคือตัวโลสองครงั่องโลของจิต หมายถึงอารมณ์ของจิตมีลมหายใจเป็นต้นเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องละลึกเช่นอย่างในปัญหานี้จิตกำหนดอารมณ์หายใจเป็นเครื่องรู้แล้วสติอารมณ์หายใจเป็นเครื่องละลิกปรากฏการที่เกิดขึ้นจิตตามลมหายใจเข้าออกเข้าออกจนกระทั่งลมหายใจรู้สึกละเอียดลงไปเมื่อลมหายใจละเอียดลงไปแล้ว เราพูดว่าลมหายใจก็หายไปก่างไายที่มีอยู่ก็หายไปแล้วเราพดว่ามีจิตสง บ, บนิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์ในในในในที่นี้ใช้คำว่าขาวใสาขาวบริสุทธิ์แล้วยังสามารถมีเป็นเส้นเป็นเ้นได้หลอดทีนี่เส้นได้หลอดนี่ มันก็ไปทรงกับคําว่ากระแสจิตส่งหรือแสออกไปไกลก็มองเห็นเป็นแสงพุ่งไปไกลตอนนี้จิตยังอยู่ส่งกระแสอยู่ในภายนอกทีนี้เมื่อความรู้สึกมันหดก็มารวมอยู่ภายในเพื่อจิตอู่ในจิตสายที่เหมือนเส้นได้ที่มันพุ่งไปไกลไกนั่นมันก็หายไปก็ยังเหลือแต่จิตนิ่งสว่างใสขาวบริสุทธิ์เป็นหนึ่งซึ่งในสณะนั้นนี่ก็จิตอู่ได้ อัปปนาสมาธิถ้าหากเป็นอัปปนาสมาธิในขั้นตน้นจิตจะเป็นนิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์จิตใจใส่ความรู้มีแตเพียงรู้ว่าจิตสงบนิง่งมีแสงสว่มีความสว่างเท่านั้นอันนี้เป็นสมถะหรืออัปปนาสมาธิเกิดขึ้นในขั้นสมถะภาวนาแต่ถ้าหาว่ากิตเจ้ผ่านการพิจารณาหรือมีความสําคัญมั่นหมายได้พิจารณาอารมณ์ ในแง่ต่างๆมาแล้วเมื้จะสงบลงไปในสัฒนาแห่งอัปปนาสมาธิแม้ว่าตัวคือร่างกายจะหายขาดไปก็ตามแต่จิตก็มีสิ่งที่รู้อยู่บางครัง้งปรากฏการอาจจะเป็นในทำนองนี้ก็จิตสงบแน่นิ่งลงไปแล้วจิตจะแสดงอาการลอยออกจากล่างแล้วมาลอยอยู่เหนือล่างสรงกระแสสองลงไปดูล่างที่ต้นอาศัยอยู่ ความเปลีนแปลงของร่างกายที่มองเห็นอาจจะเคลื่นเอิดเน่าเปื่อยปุพังจังเหลือแต่โครงกระดูกในที่สุดละสลายสัวไปไม่มีอะไรเหลือแม้จะเคลื่นแต่ดุลที่อาศัยอยู่ก็ไม่ปรากฏในความรู้สึกมีแต่จิตดวงเดียวเลื่อนวนและในบางครั้งในเมื่อสิ่งที่มองเห็นด้วยสิ่งที่มองเห็นคือวัตถุคือร่างกายที่ปรากฏนั้นหายไปแม้แต่จิตอยู่ในลักษณะที่นิ่งสงบ เป็นปกติอยู่ก็ยังจะมีปารากฏการเกิดขึ้นให้รู้เปรีได้กับว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันผ่านเข้ามาวนรอบภายในจิตแต่จิตก็นิ่งเด่นเฉยอยู่อันนี้ไปตรงกับที่คำถามนี้ว่าจิตท้ายสยบริสุทธิป์ปรากฏแจ้งชัดเจนกระติกไม่กลุงจิตในขณะที่จิตนิ่ง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 อาจจะมีอะไรผ่านก็มาอย่างละเอียดละเอียดละเอียดจิตก็มองเห็นสิ่งนั้นอยู่แต่ไม่มีอาการหวั่นไหวไปตามท่านนี้สิ่งเรียกว่าเจตสิกไม่กลุ้มหมายถึงจิตสงบนิ่งลงอริยมรรคประจุมพร้อมทีจิตแลวจิตสามารถประคองตัวอยู่ได้โดยอัตโนมัติเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าความประจุมพร้อมแห่งอริยมรรคถึงแม้ว่าจะเป็นขั้นต้นๆก็เป็นแนวทาง ปัญหาข้อที่สองปรากฏทั้งรู้ทั้งเห็นเท่ากับมองเห็นด้วยสถายตาภายนอกอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาในเมื่อจริงได้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ทั้งรู้ทั้งเห็นถ้าหาความโปความเห็นที่มันเกิดขึ้นในขณะที่สูขภาวนายังมีตัวปรากฏอยู่ถ้าเกิดในมิตรขึ้นมาจะดูใกล้าๆมองเห็นด้วยสายตาแล้วก็รู้ด้วยใจ เพราะฉะนั้นท่านผู้นี้คึงว่าทั้งรู้ทั้งเห็นคือรู้ด้วยใจและมองเห็นด้วยสายตาอันนี้เป็นนิมิตที่เกิดขึ้นในขั้นต้นในขณะที่จิตกําลังเป็นอุปจาระสมาธิทีนี้ถ้าหากว่าจิตนิมิตเกิดขึ้นในขณะที่จิตสงบพราอีสจนกระทั่งจิตนิ่งเด่นเป็นหนึ่งแล้วมีทุกอย่างทุกอย่างผ่านเข้ามาจิตรู้เห็นอยู่อันนี้เป็นนิมิตที่จิตรู้ด้วยใจโดยด้วยจิตโดยตรง เราฉะนั้นนิมิตในขัน้นต้นขั้นอุคขะหานิมิตเจ็ดรู้แล้วก็คลมองเห็นนิมิตนั้นด้วยตาขั้นปฏิภาคนิมิตเจิดรู้แล้วก็มองเห็นด้วยใจแล้วก็ตาใจระดับอุคขะอขาโอคขหานิมิตนี่เจ็ดทั้งรูเห็นด้วยใจท้้งมองเห็นด้วยตาเนื้อแต่ไม่ได้หลับตาแต่ปะจักษ์การรู้เห็นทางตายังไม่หายขาดไป แต่ถ้าอยู่ในขั้นปฏิภาคระในมิตแล้วมีแต่จิตโลดเห็นคนเตียวจะถูกก็สาทไม่ไม่เกี่ยวข้องึงทำความใอะไรอย่างนี้ทีนี้ข้อที่สามั้นต่อมาจำหลอดจิตมีสติศักดิ์กลางรักษาจิตอารมณ์ฉะนั้นก็ยังมีผลแบ่งอารมณ์ออกไข่เนาะอันนี้มันเป็นผลที่ ข้อปฏิบัติได้เกิดนอบรมจิตทั้งขั้นบริกรรมภาวนาขั้นการพิจารณาธรรมจนสามารถจิตกลายเป็นกลายเป็นจิตที่ที่มีสติเกี่ยวว่ามีสติสัมปชัญญะอาการอย่างนี้มักจะเกิดขึ้นกับจิตของท่านผู้ดำเนินการปฏิบัติตามหลักของมหาสศิษฐีธารโดยอาศัยหลักกายเวทนาจิตธรรม การพิจรารณากายก็คือพิจารณาอาการสามสิบสองในแง่สุภาษกรรมฐานบ้างในแง่ธาตุสี่ในน้ำลมไฟบ้างโดยเอาเ อ, อาการสามสิบสองนี่เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในขณะที่เรากําหนดพิจารณาดูกายคืออาการสามสิบสองนั้นาการจริงเราตั้งใจดูแต่เรื่องของกายแต่คํามพร้อมกันนั้นเราก็จะรู้เรื่องของเวทนาของจิตของธรรมไปด้วยเวทนา เราดูกายเราก็รู้ว่าเวทนามันเกิดที่กายความสุข ก, ก็เกิดที่กายความทุกข์ก็เกิดที่กายและพร้อมพร้อมกันนั้นจิตธรรมมันก็ปรากฏขึ้นเพราะจิตเป็นผู้รู้แล้วก็ธรรมที่จะปรากฏมาเป็นสิ่งรบปวนก็คือนิวรณ์ขเวทนาก็คือสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นภูมิจิตของท่านผู้ที่ดำเนินตามแนวแห่งมหาสติสถานสี่เนี่ย คือย เ, เอากายเวทนาจิตทําเป็นเครื่องโลดเคื่งเนเครื่องเองลึกลอะของสติเมื่อจิตมีสติสัมปทานยะีแล้วแม้อยู่ในสมาธิก็จะรู้ว่าจิตกับอารมณ์แยกกันออกเป็นคนละส่วนในเมื่อออกจากสมาธิแล้วมาอยู่ในปกติธรรมดาเช่นอย่างเราคุยกันอยู่เดี๋ยวนี้ท่านคนนั้นก็จะรู้แต่ว่าจิตภายในมีความสงบสุ่ แต่ส่งกระแสะแห่งความรู้สึกออกมาทำงานทําการในภายนอกรับรู้อารมณ์ได้กะท่ายกับว่าในบางครั้งเราจะรู้สึกได้ๆะากว่าเรามีใจสองดวงดวงหนึ่งมันนิ่งอยู่ข้างในอีกดวงหนึ่งมันจะทำงานอยู่ข้างนอกอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตผู้ที่ฝึกฝนอบรมมาสำนิกสำลานมีสติสัมปัญญานะพอสมควรแล้วจะได้รับผลอย่างนั้น การตอบปัญหาที่ท่านทั้งหลายส่งคำถามมาก็เป็นอันว่าตอบครบทุ่นทุกปัญหาแล้วอาจจะถูกต้องตามความประสงค์ของท่านบ้างหรือไม่ถูกต้องบ้างก็คือโอกาสอาขออภัยท่านทั้งหลายด้วยอะไรที่มันยังไม่ตรงกับความต้องการก็ขอให้ท่านตั้งใจพิจรารณาต่อไปอีกแต่ปัญหามีอยู่ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องาการทํำสมาธินี่ ถ้าปัญหาเกิดขึ้นจากกมาธิส็มายความว่ามันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องภายในจิตอันนี้เราต้องพยายามตอบด้วยตนเองถ้าสงสัยว่าอันนี้คืออะไรถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก่อนที่จะภาวนาให้ท่านตั้งคําถามเอาไว้ว่าอันนี้คืออะไรแล้วก็กําหนดจิตภาวนาด้วยไปจะภาวนาอะไรก็ได้ในเมื่อจิตสงบนิ่งว่างลงไปแล้ว คำตอบมันจะลากรขึ้นมาเองเระขอยุติการตอบปัญหาไว้เพียงแค่ น, นี้